ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ชมทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดถึง ก, ก, กระจูอมาสูตรที่แปลว่าประสูตรที่อุปมาด้วยเรื่อยมีข้อความในตอนต้นว่าพระโมริยะปักคุณะซึ่งเป็นพระเถร่าผู้ใหญ่ประสมควร มีหน้าที่ในการสอนภิกษุณีแต่ว่าท่านสอนเกินเวลาแล้วก็ให้ความคุกครีกับภิกษุณีมากจนเป็นกันเองกันเองกันแล้วก็เป็นพวกเดียวกันเมื่อมีคนอื่นเขาตาหนิตีเตียนท่านก็จะโตเฉียงและภิกษุณีกับท่านก็กลายเป็นพวกเดียวกันคือพอพระภ ค, คุณะหรือมมริยาภคุณะ ถูกคนอื่นิีเตียนภิกษุณีได้ยินก็จะปกป้องแล้วจะด่าว่าโต้อตอบฝ่ายพระโมรยะาปักคุณะพอใครตำหนิภิกษุณีก็จะมีการโต้อตอบมีการด่าว่า เ, าเสียงตำหนิเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแท่หลายออกไปจนมีคนเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าถึงพฤติกรรมของบุคคลทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกมา ถ้าสอบถามข้อความทั้งหมดท่านก็กราบทูลรับสารภาพตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดแงเพื่อเป็นการให้สติซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในพระธรรมเทศนาสูตรนี้ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรรุนแรงเป็นเพียงให้ท่านได้หยุดคิด และประสงค์ที่ร่วมฟังกันอยู่ได้เข้าใจเหตุผลโดยเริ่มต้นว่าเวลามีคนจะด่าว่าหรือจะตำหนิอย่างไรก็ตามก็ให้มีการตรวจสอบถึงวาจาที่คนเขาพูดเพราะวาจาที่พูดนั้นเป็นคำพูดจริงหรือคำพูดไม่จริง ประการที่สองคำพูดนั้นเป็นคำหยาบหรือคำไพเราะอ่อนหวานประการที่3คํคำพูดนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ประการที่4เป็นการเป็นการพูดในการที่สมควรหรือว่าไม่สมควรประการที่ 5, คนพูดมีเมตตาจิตพูดหรือว่ามีโทสะจิตพูด คือมีจิตคิดประทุสรายพูดก็ให้วิเคราะห์ตรวจสอบวาจาทั้งค่าลักษณะเหล่านี้แต่ว่าเรื่องของคนพูดก็คือเรื่องของคนพูดส่วนเราเองนั้นจะต้องไม่หวั่นไปตัวจาทั้งสอง ว, วาจาเหล่านั้นและในที่สุดก็ทรงสอนให้หยุดคิดโดยเอาอย่างพระองค์ ว่าพระองค์เองนั้นเสวยพระกยาหารหวันละครั้งก็ทําให้ร่างกายเบามียาพารน้อยก็มีสุขภาพพลานามัยดีแล้วชักชวนภิกษุทั้งหลายให้หันมาฉันอาหารครั้งเดียวเช่นเดียวกับที่พระองค์ฉันต่อจากนั้นก็ทรงประทานแนวในการปฏิบัติของภิกษุทั้งหลาย โดยยกอุปมาว่ามีป่าไม้รังอยู่ป่าหนึ่งคนที่อยู่ในป่านั้นก็เห็นว่ามีต้นไม้เหล่าอื่นมีเครือเถามีหญ้าเป็นต้นเกิดขึ้นในป่าไม้รังก็เห็นว่าต้นไม้รังนี้จะถูกแย่งอาหารจะมีความเจริญเติบโตช้าคนเหล่านั้นก็จัดการถอนหญ้า ตัดไม้ที่ไม่ใช่ไม้ไมรังออกไปไม้รังก็ได้อาหารเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่แล้วหนที่สุดก็ทรงหักเข้ามาอุปมาถึงการศึกษาการปฏิบัติตนของภิกษุทั้งหลายหรือของพุทธบริษัททั้งหลายว่าคืออะไรที่เป็นโทษหรืออาจจะตัดรอนคุณธรรมความดีของตนให้ตกต่ำลงไป ก็พยายามขาจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วก็มาเน้นที่วาจาซึ่งมีห้าประเภทดังกล่าวแล้วเกยพิจารณาวาจาซึ่งชาวโลกเขากล่าวหรือคนอื่นเขากล่าวว่าเป็นวาจาที่กล่าวโดยสมควรหรือไม่สมควรเป็นวาจาจริงหรือไม่จริงเป็นวาจาหยาบหรืออ่อนหวานเป็นวาจามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นวาจาที่ ผู้พูดมีเมตตาจิตพูดหรือว่ามีโทสะจิตพูดจากนั้นก็ทรงยกตัวอย่างว่าถ้าจิตใจของเราไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของวาจาถ้อยคำเหล่านั้นไม่ว่าเขาจะกล่าวรายหรือกล่าวในด้านดีก็ตามจะไม่หวั่นไหวจะไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่โต้อตอบจะไม่กล่าวคําทรงใช้คอละโมกคือสร จะไม่กล่าวคำหยาบจะไม่มีจิตแปรปรวนแล้วจะอยู่โดยเมตตาจิตทำตนเกื้อกูลต่อคนอื่นอยู่เรื่อยๆไปเมื่อเป็นผู้ไม่วันไหวในลักษณะนี้ <S <S 1> <S 1> ก็ชื่อว่ารักษาตัวเองไว้ได้ต่อมาก็ทรงยกตัวอย่างถึงคนคนหนึ่งที่วันไหวไปตามถ้อยคำของคนอื่น ได้เล่าเรื่องได้เล่าว่าในเมืองสาวัตถีนี้เองมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อเวเทหิกาโดยปกติที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นนั้นก็เป็นคนสงบส ง, งียมเรียบร้อยมีความเป็นผู้ดีอยู่โดยสมบูรณ์จนเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในละแวกใกล้เคียงและในที่ทั่วไป คำสรรเสริญเยินยอนั้นก็แพร่กระจายกันไปในที่ต่างๆจนกลายเป็นบุคคลตัวอย่างว่าเป็นผู้ดีที่มีความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยน่าเคารพนับถือไม่รู้อํานาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่านางทาสีซึ่งใกล้ชิดกับท่านกล้ชิดกับนางเบเทกานี้ก็เกิดสงสัยว่าคุณนายของเรานี่ท่านเป็นคนสงบเสงี่ยมโดยพื้นอัธยาศัย โดยการพิจารณาหินโทษของความโกรธประกอบด้วยพื้นฐานจิตที่มีเมตตาหรือไม่หรือว่าท่านไม่โกรธเพราะไม่มีอะไรให้โกรธคือนางทาสีคนนี้ก็เป็นคนอัธยาศัยดีงามรับผิดชอบในหน้าที่บ้านเรือนกิจการงานต่างๆที่ท่านรับผิดชอบก็มีความเรียบร้อยไม่มีอะไรบกพร่องจึงไม่ได้ยินคำตาหนิจากนาย แกก็มาเปรียบเทียบกันดูว่านายกับแกนั้นสงบเสงี่ยมเพราะอะไรกันแน่ก็เลยใช้วิธีพิสูจน์โดยการนอนตื่นสายไม่ลุกขึ้นตามปกตินางเวเทกามาถึงสอบถามมาทำไมนอนตื่นสายแกบอกไม่มีอะไรหรอกเสียงนางเวเทิกาก็เปลี่ยนไปมีลักษณะใช้คําก้าวร้าวขึ้นดุรแรงขึ้น นางกาลีก็พอจับทางได้ว่าดูจะไม่แน่จริงเสแล้วพอรุ่งเช้าก็นอนตื่นสายกว่าเดิมอีกเมื่อมาสอบถามแกก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรนางเวเทียิกาก็ใช้คาเกลี้ยกล่ดดุดา่าแกก็เห็นว่าคุมวาจามไม่ได้ก็ไม่แน่จริงวันที่สามเอาอีกนอนตื่นสายอีก ถามก็ตอบเหมือนเดิมอีกเรียกให้ลุกขึ้นยังไม่ลุกเมื่อวันที่สองนั้นกล่าวอาฆาตไปแล้วว่าจะขืนนอนอย่างนี้ตีหัวแตกแต่แกก็วันที่สามก็ไม่ยอมลุกขึ้นนางเวเทกาก็ักพลาได้ไม้ตะพดก็ตีหัวแตกด่าเสร็จก็จีหัวแตกแกก็ไปในสถานที่ต่างๆไปแต่บอก บอเนี่ยคุณนายของที่ฉันที่ได้รับการยกจ้องกันเนี่ยว่าเป็นคนมีวาจาไพเราะมีวาจานิ่มนวลเป็นคนสงบสุญเงี่ยมมีความเป็นผู้ดีก็เป็นอย่างเงี้ยเดียวมาแต่พดตีหัวอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งชี้ให้เห็นว่าเนี่ยเจอความสงบสุญเงี่ยมที่แสดงออกได้นั้นคือบางทีมันไม่มีอะไรกระแทะกกระทัน เราก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนดีมีความอดทนมีความเข้มแข็งอยู่ได้แต่พอมีอะไรมากระทบมันก็เป็นอย่างที่นางเวทีกาท่า น, นเป็นแล้วก็รับสั่งย้อนให้มาศึกษาเรื่องวาจาหาประเภทอีกครั้งหนึ่งวาจาทั้งสองทั้งทั้งห้าประเภทนั้นจะมีจะเห็นว่ามันก็เป็นคู่คู่นะเป็นวาจาที่สมควรกับไม่สมควรเป็นวาจาจริงกับไม่จริง เป็นคำหยาบกับคำไพเราะอ่อนหวานเป็นคำมีประโยชน์กับคำไม่มีประโยชน์แล้วเป็นคำที่พูดโดยเมตตาหรือว่าพูดด้วยความโกรธซึ่งหมายความว่าถ้าในทางที่ไม่ดีเช่นวันวาจาที่ไม่สมควรวาจาที่ไม่จรงิงวาจาหยาบวาจาไม่มีประโยชน์หรือวาจาที่เขาพูดด้วยความโกรธ ถ, ถ้าใจิตใจเราหวั่นไหวมันก็ต้องโต้ตอบต้องด่งาว่า แต่ถ้ามีฐานจิตอยู่ที่ความเมตตาจิตไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามอาํานาจของวาจาเหล่านั้นแต่คุ้มครองจิตไปด้วยเมตตาธรรมต่อบคุคคลนั้นๆเราก็ไม่หวั่นไหวอะไรจะไม่มีการเกื้อกูลอะไรเ อ, อจะไม่มีการโต้อตอบอะไรและในที่สุดก็ทรงชี้ให้พระโมรยิยะพกุณานั้นก็คิดว่าแม้คนอื่นเข้ามาด่าเธอด้วยถ้อยคําหยาบคายร้ายกาจอย่างไรก็ตาม เธออยากล่าวโต้อตอบด้วยคำจาบด้วยความรุนแรงด้วยความเกรียวกราดจิตใจของเธอจะได้แปรปลนุนเปลี่ยนแปลงไปเพราะถ้อยคาอาจาร์เหล่านั้นแล้วก็ควรจะมีเมตตาต่อบุคคลเหล่านั้นทำสิ่งที่เป็นเกื้อกูลแก่คนอื่นอยู่เรื่อยไปพอพูดมาถึงจุดนี้ก็ทรง แ, แสดงว่าแม้คนอื่นเขาจะทำอันตรายแก่ภิกษุณีซึ่งเธอเคยปกป้องแต่มันตรายหรือทำให้บาดเจ็บหรือแม้แต่ฆ่าให้ตายเธอก็ไม่ควรจะไปด่าว่าไปโต้อตอบไปประทุษร้ายไปเคียดแค้นอยาให้จิตแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อยู่ด้วยเมตตาจิตทั้งกล่าวต่อมาก็ ทรงอุปมาว่าสภาพจิตของคนที่ตั้งไว้อย่างเนี้จะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่กระแทกกระทานจากภายนอกทรงยกตัวอย่างว่าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาอจอบมาพร้อมด้วยบุงกีมาเนี่ยพอจะขุดแผ่นดินในโลกนี้ให้หมดสิน้นเธอคิดว่าเขาทำได้ไหมภิกษุทั้งหลายก็กลับทูลว่าทำไม่ได้ รับสั่งว่าชั้นใดก็ดีจิตใจของคนที่ได้ยินได้ฟังถ้อยคําทั้งห้าประเภทนั้นแล้วไม่มีความแปรปรวนไม่มีความประทุสร้ายไม่โต้อตอบด้วยคำหยาบคายพรายกาดตั้งจิตเกื้อกูลอ น, นุเคราะห์แก่คนทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาจิตอยู่นี่คือใครจะทําลายเราไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทําลายความดีเราไม่ได้ แล้วก็ยกอุปมาข้ออื่นมาอีกว่าเป็นเหมือนกับคนที่เรียมหมึกเจีย ม, ม, ยมดินสอมาบอกว่าต้องการจะเขียนภาพศิละปะในท้ำกลางอากาศพุเธเคิดว่าเขาจะเขียนได้ไหเขาบอกว่าเขียนไม่ได้รับสั่งว่าชันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวก็ฉันนั้นคือจะไม่เปื้อนด้วยสีต่างๆที่เขามาละเลงให้ แล้วก็ใช้อุปมาอีกข้อหนึ่งว่ามันเหมือนกระถุงที่เขาทำด้วยหนังแมวที่ฟอกดีแล้วอันนี้ทำยังไงไม่ทราบนะฮะมีคนคนหนึ่งเขาถือไม้ตีกลองหมอกมาบอกว่าจะตีถุงหนังแมวนี้ให้ดังได้ยินไปในที่ทั่ว ท, วท่วไปเธอคิดว่าเ็าทำได้ไหมภิกษุก็กราบทูลมาทำไม่ได้ แล้วก็ย้อนกลับมาให้ดูว่าจิตที่มีลักษณะนางกล่าวก็เป็นเช่นเดียวกันคือจะไม่มีการโต้อตอบยังไม่มีจากการใช้คํารุนแรงจะไม่มีการด่าว่ากันแล้วก็จากนั้นก็ส่งแสดงว่าแม้คนจะเอาเลื่อยที่คงกริบมาตัดเธอตัดมือเท้าของเธอตัดกายของเธ อ, อตัดคนที่เธอรักก็ตาม แต่ถ้าเธอยังมีใจคิดประทุษร้ายยังมีการโต้ตอบยังมีการประทุษร้ายตอบอยู่ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของเราต่อเมื่อใดเธอเมตมีเมตตาจิตไม่มีการประทุษร้ายตอบไม่มีการมุ่งที่จะให้เกิดความพิบัติาแก่บุคคลเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการาท ำ, ทำตามคำสอนของเราในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายก็ ชื่นชมในพระพุทธธรรมรัฐนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปในกักกระจูปมสูตรคือสูตรที่อุปมาด้วยเรื่อยมีข้อที่ควรทําความศึกษาอยู่ประการหนึ่งคือว่าปัญหาเรื่องพระกับภิกษุณีนั้นก็จะเป็นปัญหามาตั้งแต่ต้นนะฮะคือพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีพระประสงค์จะให้บวชคือต้องการจะให้อยู่ประพฤติปฏิบัติไปใน เพศของาราวาสเราสามารถบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกันพระบัวก็ไปแล้วมันก็มีปัญหามากปัญหาประการแรกก็คือเรื่องที่อยู่ถ้าปล่อยภิกษุณีอยู่โดดเดียวก็มีปัญหาในด้านความปลอดภัยแต่อยู่ร่วมกันมันก็มีปัญหาอย่างที่เกิดเป็นปัญหาออตกลงว่าภิกษุณีก็อยู่ในเขตหนึ่งพระก็อยู่ในเขตหนึ่งแต่ก็พร้อมที่จะดูแลสารทุกสุขดีกันได้ แต่การการจะปล่อยภิกษุณีแขกันมาทั้งวัดมาฟังเทศในวัดมันก็รู้สึกจะวุนะ่นก็เลยเอาส่งพระไปสอนภิกษุณีไอ้พระที่ไปสอนภิกษุณีนั้นจะมีปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันแต่ในกรณีองค์นี้ก็คือว่าท่านได้รับสมมติจากสงมาเรียบร้อยคือพระที่จะสอนไม่ใช่ทุกองสอนได้สงต้องลงมติเลือกไปแล้วก็ส่งไปสอน ก็มีพระไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็สอนกำหนดเวลาว่าพอตอนคืออยากให้ทาัาน่ํานี่ต้องกลับต้องออกจากสำนักพิษุนีอยู่ไม่ได้เพราะงก็มีเงื่อนไขามากมายกลกล่องแต่ ว, ว่าท่านโมรยะาปักคุณะนี้ท่านสอนเพลินสอนจบหลักสูตรแล้วก็นั่งคุยเล่นกันจนกลายเป็นพวกกันอ่า้นที่สุดมันก็เป็นกันเองกันแล้วก็มาปกป้องกัน ตัวนันบางคนล่วงไปตั้งหลายล่วงล่วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ล่วงเขตแดนที่เขาบอกให้ออกอยังไม่ออกล่วงวินัยยังบางสิ่งบางอย่างเช่นไปพูดตลกไปพูดล้อเล่นกันเป็นต้นเนี่ยซึ่งแน่นอนเมื่อมีการกระทําอย่างนี้ภิกษุณีเองซึ่งภิกษุณีที่มากริกระซีอย่างนั้นก็คงยังไม่กี่คนหรอก พวกศาสตราสตก็มีทั้งพระทั้ทงเน้นทั้งภิกษุณีแล้วก็ไม่ได้มีมา ก, กอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภิกษุณีกลุ่มหนึ่งท่านก็ไม่พอใจท่านก็ตําหนิติดเตียนแต่ว่าเราไม่รู้จะทําอย่างไงเพราะว่าไปคุยอยู่กับพระพระเองเห็นพระโมริยพระคุณะกลับมาผิดเวลาทั้งๆที่รู้ว่าไปสอนนางภิกษุณีแต่เมื่อมากลับมาผิดเวลาพอสอบถามเป็นอย่างนั้นท่านก็ตําหนิแต่รับทั้งไม่รู้จะทําอย่างไงได้เหมือนกันเพราะท่านได้รับสมมติให้ไปสอน ตกลงกว่าภิกษุณีกับพระสงฆ์ที่ก็เรียกว่ามีหิริมีความละอายแก่ใจปรากิดความกระดักกระเดืองขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหาคนนี้ได้ยังไงควายภิกษุณีก็ติเตียนตำหนิภิกษุณีที่ไปคุยกระซิกระซีอยู่กับพระอย่างนั้นภิกษุณีก็โต้อตอบพอไปพูดถึงพระโมริย่าะคุณะแกก็เถียงแทน ฝ่ายพระเองก็จะแก้ไขที่โมริยระภกูณะท่านก็เฉียงพอไปตําหนิภิกษุณีว่าไม่น่าจะมาชวนพระคุยท่านก็ปกป้องมันก็แก้ยากได้เกินเนี่ยพอในที่สุดเรื่องมันก็ต้องมาถึงพุทธสํานักอย่างที่ว่าแล้วทัานข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการทํางานตามหน้าที่แต่ก็ล้าเส้นไปหน่อยหนึ่งในด้านของพระวินยัยท่านก็คงจะยังไม่ผิดอะไรรุนแรงอะไรแล้ว ก็ถ้าในปัจจุบันก็อาจจะว่าหลวงพ่อองค์นี้มีมนุษยสัมพันธ์ดีก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองแต่ว่าในแง่ของวินัยแล้วมันมีความเสี่ยงในด้านทางวินยัยซึ่งทั้งภิกษุณีเองก็ต้องระมัด ร, ระวังในด้านวินัยมากเพราะภิกษุณีนั้นมีศีล ต, ตั้งสา้สิบข้อนะมากกว่าพระเี อ, อีกพระเองก็มีปัญหาอย่างที่กล่าว จากนั้นเมื่อมาถึงพุทธสํานักนั้นพระโมริยะพระกุณะเองต่้งก็ทํางานของท่านแม้จะเดินเดินเป็นลำลําเส้นไปหน่อยพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ตําหนิอะไรแต่ว่าทรงหยุดทรงสอนให้หยุดคิดว่าเรื่องที่คนคือคือประรบเรื่องที่ท่านไปโต้อตอบเขากับที่ท่านไปปกป้องภิกษุณีนะฮะประรบสองเรื่องนี้ท่านั้นไม่ใช่เรื่องสอนรเรื่องสอนนั้นเป็นงานที่ท่านได้รับสมมติจากสงมา เกระปรลบเรื่องนี้ว่าเมื่อมีคนที่ ท, ท่านไปโต้ตอบทิพย์ไดไม่ว่าเขาเรื่อยเน่ยก็ดูว่าวาจาเขาวาจาเขาที่เขาพูดเนี่ยเป็นการพูดในเรื่องที่สมควรหรือไม่สมควรซึ่งจะเห็นได้ว่าการตําหนิการให้สติกันในลักษณะนั้นก็เป็นวาจาที่สมควรพูดและเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมันก็จริง เขาพูดด้วยคำหยาบคายหรือคําอ่อนหวานก็พูดด้วยอาจจะหยาบไปบ้างนะฮะอาจจะหยาบไปบ้างเพราะเป็นการตาหนิติเตียนแต่ปัญหาว่ามีประโยชน์เมื่อเทียบประเด็นว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์แต่ดูว่าเขามีเมตตาจิตกล่าวหรือว่าเขาประทุษจิตคือโกรธเราแล้วก็พูดก็จะเห็นได้ว่าเป็นการพูดด้วยความเมตตาความหวังดีซึ่งแน่นอนว่า แต่คำพูดประเภทนี้โดยปกติมันก็น่าจะทนได้นะแต่ก็มีปัญหาอย่างที่เคยเล่าอุปมาไว้ในอนุมานในสูตรคือคนที่มีนิสัยกระด้างมีหัวดือ้อมีการแข่งดีมีมานะมีความปรารถนาลามกมีการไม่เคารพมีความไม่เอื้อเฟื้อต่างๆคือเขาจะพูดดียังไงมันก็เสียไปหมด เพราะฉนั้นจึงต้องมองจุดสุดท้ายทั้งท่านจะเห็นว่ า, าคําว่ากล่าวตักเตือนนั้นบางทีอาจจะแรงแรงไปแต่ว่าเจตนานะเจตนาในการพูดนั้นเป็นเจตนาดีหรือว่าเจตนาร้ายที่ต้องใช้คําว่ามีเมตตาจิตพูดหรือมีปทุสจิตพูดคือจิตคิด ป, ปทุสายพูดเราก็วิเคราะห์เห็นได้นี่ก็เอากันในด้านตรงตัวซะก่อนว่าในด้านตรงตัวเดี๋ยมันก็ต้องดูกันตรงนี้ ดูที่เจตนาเขาพูดก็จะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายพูดด้วยความบังดีปรารถนาดีเพราะงั้นไม่ไม่ควรให้ปล่อยให้มานะความถือตัวความกระด้างความหัวดรื่อความเย่อหยิ่งอะไรต่ต่างๆเข้ามาเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันจิตใจก็จะต้องไม่แปรปรวนเ ป, นปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่ไม่มีการกล่าวโต้อตอบด้วยคำหยาบคายร้ายกาจเพราะคนก็พูดด้วยความปรารถนาดี แล้วจะต้องมีฐานจิตที่อยู่โดยเมตตาทํางานของตัวเองไปนี่ในชั้นหนึ่งนะครับแต่ชั้นหนึ่งคือเจ้าต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่ามุมที่วาจานั้นอาจจะไม่สมควรวาจานั้นอาจจะหยาบแล้วก็เรื่องไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่จริงไอคนที่พูดมันก็มีเจตนาร้าย แต่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องวาจาเหล่านั้นแต่ก็รักษาจิตของเราเอาให้จิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนจะต้องไม่โต้อตอบด้วยคําหยาบคายไร้การเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็รักษาคนดีไว้ได้สักคนคือคนที่เขาพูดเราด้วยเรื่องที่ไม่จริงด่าว่าด้วยคําหยาบคายยังไงก็ตามนะฮะแต่ถ้าเราไม่โต้อตอบมันก็มีลักษณะเหมือนตบมือข้างเรียวไม่ดัง แล้วคนเหล่านั้นก็จะมีลักษณะเหมือนเปลา่าฝุ่นทวนลมอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยระหว่างคนสองคนที่คนหนึ่งเขาด่าด้วยคำหยาบคำไม่สมพวนคำไม่มีประโยชน์คำไม่จริงแล้วก็มีเจตนาร้ายกล่าเนี่ยถ้าเราไม่โต้อตอบมันก็เหลือคนดีไว้คนหนึ่งแต่ถ้ามาโต้อตอบคนดีที่คนนั้นก็หมดไปดังนั้นจึงทรงสอนให้ทาจิต โดยนิยะดังที่กล่าวแล้วคืออะไรคือไม่ขึ้นไม่ลงไม่ขึ้นไม่ลงในด้านวาจาที่ยกย่องสรรเสริญคือวาจาที่เราพอใจไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงคือใจไม่ฟูขึ้นไม่ฟุบลงฟูขึ้นด้วยอะไรฟูขึ้นด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญด้วยความสุขฟุบลงด้วยอะไรด้วยเสื่อมลาบเสื่อมยศติ่ต่านทุกใจเราไม่ก็ขึ้นขึ้นฟุบฟุบอยู่เงี้ยเออ ทำไมจึงทรงมาหักไปในประเด็นของการให้กินฉันอาหารเพียงเวลาเดียวอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับด้านร่างกายด้วยด้านภาระหน้าที่ของอภิกษุด้วยจึงเราเจะพบว่าถ้าเรารับประทานอาหารแต่น้อยร่างกายก็เบาโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยแล้วก็มีความกระปรีกก้กระเปร่าบ่งไวดี โดยเฉพาะคือจิตใจนะฮะในด้านจิตใจที่ความเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจฉันนราคะซึ่งอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพอถึงสินสินวัวสถหรือศิน8นี่ยซึ่งจะต้องรักษาศินข้อที่สในรูปของอภรร hm คือไม่เกี่ยวข้องในทางเพศตราะั้นมันก็ต้องลดอาหารในข้อที่6ลดอาหารในข้อที่6แก้ที่ข้อที่7ที่8ที่9คือที่จริงว่า9ข้อนะครก็รวมไปเป็น8ข้อ เพราะอะไรเพราะพวกนั้นมีลักษณะกระตุ้นราคาตัวปัญหาจริงต้งมาแก้ที่การลดอาหารมาลดอาหารมันก็บันเทาในด้านด้านราคาคือกระตุ้นราคาลงไปนี่ก็เป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งซึ่งช่วยเหลือบันเทาในด้านความรู้สึกนึกคิดด้านนี้เพราะว่าการที่พระโมรย่าภกุณะไป ไปพูดกันอย่างนั้นไปก็รอ ก, ก็ติดกันอย่างนั้นก็ยังไงยังไงก็แสดงว่าจิตใจมันก็รักคนด้วยราคาอยู่พอทุ่มพนะทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นก็ลดอาหารเทียฉันอาหารเทียสักมือหนึ่งมันก็คงจะแก้ปัญหาอะไรไปได้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจของคนหวั่นไหวมันก็จะมีลักษณะดีแตกซึ่งความดีที่ทํามาเป็นเวลานา น, านก็กลายเป็นดีแตกอย่างนางเวเทกา เวทีการนี้เป็นเรื่องที่รับสั่งเล่าและพระอาจารย์ก็นําไปเล่าเปรียบเทียบในที่อื่นซึ่งเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นและก็เป็นอุบาสิกาในสมัยนั้นพอพูดถึงคนก็ได้ยินคือได้ยินท่านทั้งสองรูปนะฮะมองเห็นภาพท่านทั้งสองภาพภาพแรกเวลาไม่มีอะไรมากระแทกกระทันก็จะเป็นภาพที่น่าประทับใจน่าเลื่อมใสของคนที่มาประสบพบเห็น ภาพที่สองหลังจากตีหัวคนใช้แล้วมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งหนึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นว่าการแสดงออกในลักษณะนั้นในลักษณะก่อนได้ก็เพราะไม่มีอะไรมากระแทกกระทันหรืออาจจะเกิดเพราะมานะว่าความแข่งดีหรือความอุดดีหรืออาจจะเป็นมายาอย่างที่ว่าเมาื่กี้ก็ได้ คนเราบางคนนี้อาศัยมานะเพียงอย่างเดียวก็ทําอะไรได้เป็นลักษณะความสงบสงเวยมก็ได้เป็นลักษณะที่เรียบร้อยติมติมหรือว่าทํางานแข่งขันอะไรก็ได้ด้วยแรงผลักดันของมานะมานะพวกพว ก, กิเลสพวกนี้มันมีพลังนะฮะมันมีพลังในการที่จะต่อสู้ท้าทายแข่งขันประกวดประชันกันกันกบบุคคลอื่นเพราะมันมีแรงดัน พวกโลภะก็มีแรงดันพวกมานะก็มีแรงดันทั้งนั้นพวกแข่งดีพวกถือตัวนะฮะก็จะมีมานะอยู่ซึ่งซึ่งบางทีมันก็ทำไปได้ในลักษณะที่ดีๆ ด, ด้วยในชั้นของศีลธรรมจัญญาเช่นเราถือว่าเราเต็นอย่างนั้นเราจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นจะเหน็ด จ, จะเหนื่อยจะปวดจะเมื่อยยังไงก็ต้องทำให้ได้มานะก็เป็นตัวผลัก เป็นตัวคุ้มครองตัวคุมเอาไว้มันก็ดีบางอย่างก็ดีในชั้นของของศีลธรรมจัญยานะฮะแต่ว่าโดยพื้นจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นพวกกิเลสอยู่นั่นเองเมื่อวิเคราะห์ไปโดยละเอียดส่วนอุปมาต่างๆที่ทรงแสดงไว้ในตอนต่อมานั้นคือเป็นการปรับเป็นการปรับแล้วก็ความคืบหน้าความคืบหน้าของใจคน ที่ได้ผลมาจากการศึกษาการสำเนียกและ ก, การประพฤติปฏิบัติในครั้งแรกก็คือเราเราเองก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าถ้อยคำที่เขากล่าวนั้นจะมีลักษณะทางใดก็ตามก็ไม่หวั่นไหวพอไม่หวั่นไหวที่เราได้ก็ต้องไม่หวั่นไหวที่ของเราด้วยของเราอย่างในกรณีของพระโมริยาภกุนะก็คือพวกของเรา แต่แกพิสุนีซึ่งท่านไปปกป้องคุ้มครองอเทียงแทนให้กันอยู่อย่าลืมว่านี่อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่ละเอียดขึ้นไปเป็นการฝึกปลือควบคุมจิตใจตัวเองเพราะว่าการเถียงแทนนั้นในบางกรณีก็เป็นการทำหน้าที่ของกันและกันมิตรนะครในหน้าที่ของกันและาัมิตรประเภทมิตรที่มีอุปการะ เวลาคนตำหนิตีเตียนเพื่อนในทางไม่ถูกไม่ควรก็ปกป้องเสียงแทนเรลาเพื่อนยกย่องมีคนอื่นเขายกย่องสรรเสริญเพื่อนในทางที่ถูกที่ควรก็รับรองคํำเสริญสรรเสริญเหล่านั้นก็นี่คือชั้นชั้นของศีลธรรมจั้นยาชั้นของโลกในว่าชั้นนี้คือผู้ที่ชั้นที่ละเอียดขึ้นไปเป็นการสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัตินั้นพยายามควบคุมใจตัวเองเวลารับ อารมณ์จากภายนอกคือโดยเฉพาะในกรณีนี้ก็คือคำคำพูดถ้อยคำของคนที่มาพูดจาในเรื่องจะดีหรือไม่ดีก็ตามอุปมาที่ทรงยกมาในตอนแรกนั้นจะเห็นว่าเป็นการพยายามปฏิบัติขัดเกลาแล้วก็วิเคราะห์ตรวจสอบถึงสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแวดล้อมตัวเองนะฮะแล้วก็เหมือนกับคนที่รักษาสวนไม่รัง ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ไม้รังหรือแม้แต่ตัวไม้รังเองแต่ถ้ามันจะเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรมันก็ต้องถอนทิ้งเหมือนกับชาวสวนที่เห็นว่าผลทุเรียนบางลูกผลก็บางลู ก, บ า, ลกบางพวงเติบโตขึ้นมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ก็แยกอาหารเพื่อนมันก็ตัดออกไปก่อนเพื่อเอาต้นดีๆไว้ถ้าต้นดีๆก็มีอาหารมีโอกาสจเจริญเติบโตได้เร็ว การปฏิบ <emás>. ัต <altung> ิตนของของคนทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือดูว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอันตรายแก่กุศลละธรรมที่จะทำให้กุศลละธรรมเจริญช้าไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรก็พยายามตรวจสอบพินิษว์พิเคราะห์ดูสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ป้องกันตัดรอนบัณฑ์ทหรือบันเทาให้เบบางลงไปเพื่อจิตใจได้มีโอกาสเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น ไม่ได้ปล่อยให้อะไรเป็นลูกตุ้มถ่วงเอาไว้ตังอย่างที่เคยศุกษานานเลยฮะเคยเล่าพระพุทธเจ้าท่านเล่าของท่านเองฮะแล้วก็เรื่องของพระองค์เองเป็นความผิดพลาดในอดีตของพระองค์ที่ปล่อยให้ลูกตุ้มนิดเดียวถ่วงท่านไว้ในสมัยที่เป็นกุลธานบัณฑิตคือเบียนบวชเบียนศึกอยู่ตั้งหกเจครั้งนะฮะเพราะเรื่องนิดเดียวแต่นั้นเองคือเสียดายพันของเข้าฟ่างกับลูกเดือยจึง เ, เก็บเอาไว้ มีจอบินเทียนอยู่อ่านหนังบวชเป็นฤาษีปวดเป็นฤา ษ, ษีแล้วจะด้วยแต่ว่าพอถึงฤ ด, ดูที่เขาเพาะปลูกกันก็เห็นเขาเพาะปลูกก็นึกว่าเออไอข้าวพันข้าวปลูกของเราก็มีเหมือนกันมีข้าวฟ่างก็ลูกเดือยก็เอามาจอบมาฟันดินแล้วก็หวานข้าวฟ่างลูกเดือยจนสุกเก็บเกี่ยวเก็บไปฉันแล้วก็เก็บพันุไว้ส่วนหนึ่งก็ทำไปเนี้ยดึงท่านออกมาจากเพศฤาษีตั้งเ็ดครั้ง การเข้าฟัง่งกับลูกเดือยสองหอแล้วก็จอบเพี้ยนอันสามอย่างแต่นั่นเองก็ดึงอยู่ได้ใ น, นที่สุดต้องตัดสินใจตัดสินใจด้วยตัวเองคือวิธีของพระโพธิสัตว์แม้จะแกว่ ง, กวงไปในบางทีนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาคือท่านจะคิดอะไรของท่านได้เองท่านจะแก้ปัญหาของท่านได้เองอาจจะมีสิ่งอะไรมากระตุ้นนิดๆหน่อยๆแต่เขาไม่ได้เจตนากระตุ้นท่านหรอก คือของน้ำก็มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมดาอย่างในกรณีที่ทรงเปลี่ยนการบาําเพ็ญเพียรทางรำมานร่างกายมาเป็นบำเพ็ญเพียรทางจิตก็อาศัยใส่เสียงพินซึ่งเสียงพินก็ดีดของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระองค์แต่พระองค์ดึงเอามาคิดแล้วก็มาสอนตัวเองได้เพระาะฉะนั้นข้าวควากระลุกเดือยในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะที่ดึงพระองค์ออกมาจากเพศดาบทเพศฤษีตั้งหกครั้ง องค์ก็คิดได้แล้วในที่สุดก็ตัดสินพระไทยไม่เอาพันเหล่านั้นเก็บไว้อีกต่อไปเอาโยนทิ้งในแม่น้ำคงคาโดยหลับตาไม่ยอมลืมตาดูมันตกตรงไหนพระตาหากวเห็นที่ตกบางทีมันกิเลสมันเกิดขึ้นมาอีกก็ลงไปงงมาทีนี้บางทีก็ไม่แน่จะโผล่ขึ้นมาได้เปล่าก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินพระไทยตัดสินใจหลับตาเลยแล้วก็หมุนตัวแล้วก็คว้างลงไปว่างไปนานรอจนน้าเดือบ ล้วก็ลืมตาดูไม่เห็นอะไรก็ตัดใจได้นี่ก็เป็นวิธีฝึกนะฮะวิธีฝึกที่จะแก้ไขตัวเองต้องหาวิธีเอาด้วยตัวเองจากการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงวาจาทั้งทั้งห้ากลุ่มนะห้ากลุ่มก็วาจาแล้วท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าที่เคยพูดถึงวาจาสมัยในอภัยราชกุมารสูตรที่ทรงแสดงว่า อาจานั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการคนฟังชอบใจอันนี้ก็มีห้าอันนู้นก็มีหแต่ว่าคล้ายๆจะไม่ตรงกันนะที่จริงมันก็ตรงกันที่จริงเป็นการตรงกันแต่ว่ากรณีมันก็แตกต่างกันในกรณีนี้เป็นการว่ากล่าวตักเตือนของคนอื่นในกรณีโน้นคือเราพูดวาจาออกไปเราพูดให้คนอื่นฟังในกรณีโน้นเราฟังคนอื่นพูดคือมันก็มีคนลคนลลักษณะ ในกรณีที่เราจะพูดกับคนอื่นนั้นก็พูดเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการคนฟังชอบใจอันนี้ครบหแต่อีกแนวหนึ่งก็คือเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการคนฟังไม่ชอบใจแต่ให้ดูการละว่าเหมาะว่าควรไม้ถ้าเหมาะควรก็พูดออกไปนั่นคือเราพูดคนอื่นแต่ในกรณีนี้คนอื่นก็พูดกับเราเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าคําที่เขาพูดเนี่ยเป็นคําที่สมควรหรือไม่สมควรเรื่องนั้นเป็นคําจริงหรือไม่จริงเรื่องนั้นเป็น พ, พูดด้วยคําหยาบหรือคำไพเราะอ่อนหวานเรื่องที่เขาพูดนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และจิตใจของคนที่พูดนั้นเขาพูดด้วยความหวังดีหรือหวังร้ายนะพูดง่ายๆมันก็มี5้าเหมือนกันซึ่งวิเคราะห์การวิเคราะห์ในคราวแรกนั้นเป็นการอดทนต่อคําประเภทที่เราไม่ต้องการที่เราไม่ชอบใจคือไม่สมควรเป็นคำโกหกเป็นคําหยาบเป็นคําไม่มีประโยชน์แล้วเขาก็เกลียดเรานะฮะก็แกล้งด่าเรา อันนี้แรงมากคือต้องทนได้ตรงนี้ก่อนทนได้ตรงนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะมันใกล้ต่อโทสะมากประจานนะคักษณะดนี้แต่ทีนี้พอพอเดินไปถึงขั้นที่สองเนี่ยแม้แต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสมควรเป็นเรื่องสมควรเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นคําที่ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานมีประโยชน์แล้วก็เขาก็เมตตาจิตเราก็รับเลยอันนี้รับเลยแต่ย่าเหลิองนะรับแต่ก็ไม่ต้องเหลิองอะไร เพียงแต่ว่านําไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเขายอเราแล้ววันนี้ต่อไปไม่ต้องทําความดีแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นการทําจิตของตัวเองให้มีฐานที่แข็งแกร่งโดยไม่หวั่นไหวทั้งสองอย่างคือทั้งก็เรียกว่าทั้งทั้งนินทาทั้งสรรเสริญนะเป็นโรกธระทำคู่ที่3าทั้งนินทาทั้งสรรเสริญคือจะไม่หวั่นไหวไปทั้งสองด้าน ที่นี้ถ้าหากว่าจิตใจเราไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะในด้านที่เป็นใช้กำบาลีว่าอนิถารมืออารมที่เราไม่ต้องการเราไม่ชอบมันก็จะเป็นเหมือนว่าคือใครจะทำลายเราไม่ได้หรอกเหมือนกับคนที่มาขุดดินต้องการจะขุดดินให้หมดมันขุดไม่ได้เพราะแผ่นดินนั้นมีมากแล้วคนเราถ้ามีฐานใจอย่างนั้นมันมีคุณธรรมคุณธรรมอยู่ภายในใจมาก ถึงแม้จะมีใครมากล่าวร้ายมาใส่ร้ายมาด่าวา่าโดยทอยคำหยาบคายร้กาดรุนแรงอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำความดีเราได้เพราะมันอยู่ที่เราความดีนั้นอย่างที่ทรงใช้คำว่าอาธาระมันเยสามันไม่สาธารณะเก่คนอื่นแล้วอจโจรหารโดนิชคือว่าโจรเองก็นำไปไม่ได้ โจรก็มวยไม่ได้สูสส้ทําันตรายไม่ได้มันเรื่องของความดีมันเป็นนา ม, มาทําที่ท่านบอกว่าปุญญโจริหิรัหรังคือโจรก็นําไปไม่ได้นี่ก็เป็นการครั้งครั้งแรกเนี่ยก็ปรารบตนแล้วก็ต่อไปก็เชื่อมโยงไปถึงคนอื่นซึ่งก็แสดงว่าฐานของใจจะต้องมีความเข้มแข็งขึ้นไม่ไปเดือดร้อนไม่ไป โตอตอบไม่ไปวุ่นวายกับไอความพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุกคนดึ่นซึ่งก็หมายถึงอะไรนะถ้าถ้าท่านมองในแนวความเป็นเอกภาพของธรรมะในกรณีนี้โดยอาศัยฐานจิตที่อยู่ในเมตตาพอถึงจุดหนึ่งก็มาอยู่ที่อุเบกขาคือใจก็จะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบคือทั้งทั้งทั้งดีทั้งไม่ดี ก็จะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ดอนั้นดังนั้นอุเบกขาท่านจึงแปลว่าความวางเฉยคือไม่ยินดีไม่ยินไรทั้งฝ่ายดีก็ไม่ยินดีเพลิดเพลินเรืงร่ำงอ้ฝ่ายไม่ดีก็ไม่ยินไรและในขณะเดียวกันนั้นจะพราบว่าถ้อยคําในลักษณะทั้งสองเป็นที่ที่เป็นคู่คู่ทั้งสองประเภทดังกล่าวคือคือทั้งสิบคู่ทั้งทั้ง5คู่หรือ10ประเภทดังกล่าวนี่ พอถึงจุดหนึ่งแล้วบุคคลก็จะหาประโยชน์ได้ด้วยค่อยคำทั้งสองประเภทนั้นแม้จะคำหยาบคายไร้กาศต่างๆก็หาได้คำยกย่องสรรเสริญก็หาประโยชน์จากถ้อยคาเหล่านั้นได้อย่างที่เคยบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งนั้นไม่ได้วิเคราะห์ที่อันไรแต่มันพูดกันว่าอย่างไรเราจะหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างไรคำด่าก็ได้ก็หาประโยชน์ได้ อย่างพระพุทธเจ้าเองก่อนจะเสด็จผนวนก็หาจากเรื่องอังนนี้เสด็จดำเนินไปพร้อมพระองค์ไปไปเที่ยวในที่ต่างๆได้ยินคนด่ากันได้ยินผัวเมียทะเลาะกันได้เห็นผัวตายเมียร้องไห้ลูกร้องไห้แม่ตายลูก ร, อร้องไห้สามีร้องไห้ะอะไรตัวไเนี่ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละอย่างนั้นพระองค์ก็นำมาคิดนำมาพิจารณาเทียบเคียง แล้วก็โยงไปโยงมาก็เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวคนชีวิตทั้งหลายว่ามันร้วนแลแต่ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นทางนั้นเดมันก็อยู่ที่ความคิดของคนที่จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นประเด็นของนางเวเทฮิกาจึงเป็นตัวอย่างที่ที่น่าศึกษาว่ามันใกล้ๆ ก, กับเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรก็ตามที่เราทําไปแล้วพัฒ น, นาคุณภาพไว้เรียบร้อยสวยหรูเลย แต่ว่าบทใช้งานมันเกิดใช้งานตามที่ว่าไม่ได้จึงก็หมายถึงว่าถ้าเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าขึ้นมาจำหน่ายมันก็ต้องเจงการประพฤติปฏิบัติความดีของคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้าถึงจุดที่ต้องใช้ธรรมะเข้ามาเกิดใช้ไม่ได้ก็เป็นการค้าขายที่ออกจะขาดทุนมากแต่ถ้าสามารถรักษาความดีเอาไว้ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันก็ต้องรู้ทั น, นต้องรู้ทันบางสิ่งบางอย่างแม้ในชีวิตของเราคือบางทีคนเขาแจ้งล่อให้เราหลงทางหรือเข้ามาทางกับที่เขาดักเอาไว้ในชั้นของชีวิตเองเราก็ต้องดูว่าเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เพื่อประสองค์อะไรเขาประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายประสงค์ทดสอบหรือประสองค์อะไรเนี่ยมันก็ต้องต้องมองเขาทัน ถึงถ้อยควาวาจานั้นมันวิเคราะห์ที่ตรงไหนวิเคราะห์ตัวเจตนาวิเคราะห์ตัวเจตนาในการพูดของเขาว่าเป็นการพูดด้วยเมตตาจิตพูดหรือว่าปะทุสจิตพูดหรือมีโทสะแล้วก็พูดถ้าพูดโดยโทสะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคนที่พูดด้วยโทสะนั้นจะมันมีความบกพร่องอยู่ในถ้อยคาเอง ซึ่งบางคราวเราอ่านข่าวคราวหนังสือพิมพ์เราจะเห็นว่ามันเปลวของความของโทสะของริษยาของอาฆาตเนี่ยมันแล็บไปทางหน้าหนังสือพิมพ์เลคืออ่านแล้วมันเห็นมีแต่เปลวริษยาเปลวอาฆาตพยาบาทเปลววิหิงสาอยู่ทั้งหน้าหนังสือพิมพ์บางอย่างนี่คือเปิดดูสิผน า, าทีนี่เรื่องมากไปแล้วไม่รู้จะอ่านตรงไหนเพามีแต่เปลวไฟของกิเลสทั้งนั้นเลย เปรียบขออารมณ์ที่สะท้อนออกมาจากจิตที่ไม่ค่อยจะปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งฐานจิตไว้มั่นมันก็จะมีลักษณะเหมือนอะไรนะเหมือนกระกรองไอเหมือนกระถ u งหนังแมวอธิบาเนี่ยกระถ u งหนังแมวนี่พระอาจารย์ท่านอธิบายนะก็ไม่รู้รูปทำยังไงก็ท่านบอกว่าจะมีการฟอกอย่างสะอาดแล้วก็ทําจนนิ่มมากเลย สัมผัสสัมผัสนิ่มมากก็คงจะเป็นอะไรพวกคล้ายๆข น, นมิงกุดเมืองอะไรไงไงม่ทราบ น, นะเอับแต่ก็สรุปความตีไม่ดังนะฮะตีไม่ดังถึงแม้จะใครใครจะเอาไม้อะไรมาตีมันจะไม่มีเสียงดังแบบกลองดังหรือว่าคนจะได้ยินทั่วไปมันจะมีนิ่มซึ่งใจิตจิตจิตใจของคนเราที่พัฒ น, นามาถึงจุดนั้นก็เหมือนกัน จะไม่มีการดา่าตอบคนดา่าไม่มีการประหารตอบคนประหารไม่มีการประทุษร้ายตอบคนประทุษร้ายเพราะว่าใครจะหลอกจะลวงจะใช้กลญเม็ดเด็ดพรายยังไงเพื่อหลอกให้เราโ ต, ต้ตอบออกให้เราด่าว่าหรือใช้คํารุนแรงเราก็ไม่ออกไปแน่นอนนึกเกินว่าพอถึงจุดนี้มันก็จะยากสักหน่อยนะฮะมันก็เดินมาไกลพอสมควรมีความประณีตมีความสงบสูงขึ้น ซึ่งข้อนี้ท่านจะเห็นได้ว่าอย่างในบ้านในเมืองเราบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถูกอะไรนะมันเหมือนกับํานวนเด็กที่ว่า เ, เ, ดดเด็ดทางมดได้ชนกันอะไรเนี่ยให้กัดกันนะฮะคือคือเรคือถ้อยคําที่มีลักษณะลวงเพื่อหาประโยชน์หาข่าวของบุคคลบางพวกเราก็หลงทางเขาแล้วก็ปล่อยไปโต้ไป ต, ไปตอบกันนะบางทีก็ไม่รู้เรื่องกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายในที่สุดมันก็ข้าวหน้ากันไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าอยู่ในประเภทที่แม้คนจะตีก็ไม่ดังก็จะไม่เต้นไปตามจังหวะที่คนอื่นเขาเคาะ้เราเต้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองเพราะฐานจิตที่อยู่ในเมตตาถือว่าฐานใหญ่มากแล้วก็มุ่งหน้าทำงานที่จะเกื้อกูลคนอื่นเรื่อยไปตั้งเราจะจะพ่ป้าพุทธจารยานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หน่อยแล้วก็ยาก แต่ลองลองดูแนวพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าในการทํางานพอเริ่มจะเทศคราวแรกนะฮะพอจัดสรู้เสร็จเนี่ยยังไม่ตัดสินพระไทยอ๋อพอตัดสินพระไทยจะเทศนะตัดสินพระไทยจะเทศเนี่ยก็มีมารมาราธนาให้นิพพานแนละ้วพอเสร็จแล้วพระองค์ก็จัดสรู้แล้วจะไปสอนคนอื่นในเหนื่อยยากลําบากทําไมแนละ้วพระองค์ก็ไม่รับจะไม่หยอม ว่าจะต้องทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกยนกว่าบริษัทของพระองค์นะคือลูกศิษย์ของพระองค์จะมีความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติเนืมาที่จะแก้ไขเขาเรียกว่าปรับประวาดคือคำที่ใส่ร้ายป้ายสีพระศาสนาศาสนาธรรมต่างๆได้แล้วก็มีหลักเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวของตัวเองได้ก่อนเรสร้างบริษัททั้งสีแข็งแรงก่อนถึงจนิพพานแล้วก็ ในระยะที่เทศอยู่มันก็เยอะแยะนะคนขัดขวางตัดรอนด้วยประการต่างๆใส่ใคายป้ายสีดา่าว่าปทุศรายสารพัดแต่ว่าจิตต้องคิดอนุเคราะห์อยู่เลยไม่ได้วันไหวในเรื่องเหล่านั้นนี่ก็คือสูงสุดเป็นพระบรมศาสตร์สนาของเราเราเองก็คงจะตายไม่ถึงอันดับนั้นแลแต่ว่ายังไงยังไงก็คือต้องนิดต้องนึกจิตที่ประกอบด้วยเมตตา แล้วก็มุ่งการไม่เบียดเบียนในขณะเดียวกันก็มุ่งอนุเคราะห์ซึ่งก็เป็นการประสานสัมพันธ์การที่จริงท่านท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะพระธรรมเทศนานี้สร้างฐานจิตอยู่ที่อุเบกขาไออยู่ที่โพรมวิหารสร้างฐานจิตอยู่ที่โพรมวิหารทั้งตลอดแต่ว่าทรงใช้คำว่าเมตตาการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียงก็คือกรุณานะฮะไม่เบียดเบียงคือกรุณาเพราะอะไรเพราะว่าไอพิงสารนัมันตรงกันข้ามกับกรุณา เมื่อไม่เบียดเบียนก็คือตัวกรุณานั่นเองแต่แทนที่จะใช้คำ ม, มารการุณาก็ใช้คํว่าไม่เบียดเบียนแล้วก็มาพักกิจอยู่ในจุดของอุเบกขาในแต่ละโอกาสตามสมควรแก่โอกาสไม่ใช่ว่าอุเบกขาเรื่อยหรือว่าเมตไทร เ, เมตตาการุณานั้นก็ตั้งไว้ได้เลยนะแต่ว่าอุเบกขานั้นก็ใช้ในบางโอกาสก็ตามลักษณะของบุคคลดังกล่าวแล้วซึ่งสูตรในการใช้ปรมีฐารก็คือเมตตาก็ใช้แก่คนทั่วไป กรุณา <c oughs> กระใจในคนที่ประสบความทุกข์แต่ในที่นี้ทุงท่งใช้คำว่าไม่เบียดเบียนคือหมายความว่าไม่มีแม้แต่ประทุษจิตคือจิตที่คิดประทุษร้ายต่ อ, ขอเขาก็ต้องไม่มีด้วยถ้าพอถึงจุดนี้แล้วคือใครจะตีจะอะไรยังไงก็ก็ไม่ดังแบบกรองหนังแมวอย่างที่ว่าเ อ, อไม่ใช่ถุงหนังแมวถุงหนังแมวที่ฟอกดีแล้วก็ ใครจะทายังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรจึงซึ่งเหมือนกับอะไรนะฮะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ถูกเขาด่าในเมืองโกสัมพีอย่างที่เคยเล่าไปมาให้ฟังก็ไม่โตอตอบอะไรหรือแม้แต่เหมือนกับอะไรนะอาจารย์เซนองหนึ่งะฮะอาจารย์เซนองหนึ่งที่เขาเล่ากันแพร่หลายในบ้านเราจริงๆพระเราก็มีเยอะนะฮะอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ค่อยค่อยเอามาพูดกันเท่านั้นเองเอามายังเคยพบ พระผู้ใหญ่อองหนึ่งที่จริงท่านดุมากนะองนี้อันดุมากก็เรียกว่าตอนนั้นเป็นสารกมนตรีนี่มันลือกันทั้งประเทศแหละองนี้ดุแต่ว่าเวลาโดนข้างนอกอนะฮะไอ้โดนข้างนอกท่านสงบงเสงี่ยมมากอนะลยมานั่งอยู่ใกล้ๆท่านอนะ่ะวันนั้นมีคนยกขบวนบรรดาเต็มเลยท่านกําลังฉันข้าวอยู่ท่านก็ปล่อยเขาพูดแล้วท่านก็ฉันข้าวเฉยนั่งยิ้มเฉยไม่ได้ว่านอะไร พพูดเป็นนานนะฮะพูดเป็นนานในคนนั้นอะ่ะเสร็จแล้วท่านก็ส่งไอ้ส้มเขียวหวานในจานนรับแล้วบอกพูดนานแล้วขอแห้งหกินส้มนี่ก่อน้ไม่ว่าไดเลยนี่ก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวเวลาประสบก็อารมณ์แต่ว่าโดยโดยปกติเวลาทำงานท่านท่านเชียบขาดท่านเฉียบขาดแล้วบางทีก็ดุด้วย พอกระแทกจากข้างนอกปรากฏว่าท่านสงบส ง, งบอยู่ได้ <c oughs> นี่ก็แสดงให้เห็นว่าฐานจิตก็มีความสำคัญอยู่มากหรือเหมือนกับ <c oughs> อาจารย์เซนที่เขาเล่าลนะที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งแกท้องขึ้นมาพ่อแม่ก็คาดคันจะหาผู้ชายได้แกไม่รู้จะโยนให้ใครก็โยนให้หลวงพ่อท้องกับหลวงพ่อชาวบ้านก็ยกขบวนยกป้ายยังไอ้พวกเด็กยกป้ายยางทุกวันเนี่ย ไปประท้วงหลวงพ่อว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นหลวงพ่อท่านว่าเขาว่าอย่างนั้นเหละก็ท่านนั้นนี่ยถ้าไม่ตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องเขาเนี่ยไม่จะตอบยังไงเหมือนกันนะก็แบบพระเซนต์ัวลงว่าพอเด็กผู้หญิงคนนี้คลอดก็พอดีเป็นผู้ชายนะะออืก็เอาไปให้พ่อมันก็เอาไปหลวงพ่อท่านก็เลี้ยงให้ใจไม่ไดือดร้ายต่อมาเด็กผู้หญิงนี้แกเกิดละอายขึ้นมานะแกก็ไปสารภาพกับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็ไปขอโทษ ขอโทษที่ใส่ร้ายหลวงพ่อท่านเขาบอกเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ก็มีมีมีอยู่ประโยคเดียวชายอยู่ประโยคเดียวแต่ไม่เองเวลาก็ใส่ร้ายท่านก็บอกเขาว่าอย่างนั้นน่ะเวลาก็ขอก็มาท่านก็บอกเขาว่าอย่างนั้นน่ะก็ท่านั้นคือว่าตัดปัญหาได้หมดนี่ก็เป็นเป็นวิถีฝึกแบบเซนซึ่งก็เป็นเป็นพระพุทธศาสนาอีกแนวหนึ่งนะฮะเซนก็ฝึกอีกแนวนึ่ง แตว่วิธีนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นวิธีที่ควบคุมใจได้อย่างดีมากโดยเฉพาะคือคนที่ที่อยอากจะขี้โกรธนะฮะขี่โกรธงุนหงิดง่ายโกรธง่ายพวกใจเป็นแผลเดี๋บางคนนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้โกรธเรื่อยเลยหาครางโจดได้เช้าสายบ่ายเย็นตอนสามเวลาหลังอาหารเฮ้สุขภาพจิตมันเสื่อมเร็วผมหงอกขนขาวแก่เร็วได้เร็วเลยเนี่ยคือถ้าเราทําใจให้สบายนะฮะ ก็ว่าไปนะทางนี้ฮะทางทางวาจาทั้งห้าประเภทเราจะเห็นว่าคนจะพูดกับเราถ้าแนวก็มันมันก็จะออกมาห้าแนวอย่างเงี้ยห้าแนวอยู่ตลอดเราก็ต้องดูเป็นการสมควรไหมหรือไม่สมควรนเมื่อไม่ไม่สมควรแล้วเรื่องอะไรเราจะไปทําให้สมควรเขาด้วยถ้าสมควรก็อนุมโมทนาว่า น, นั้นวาจานั้นจริงหรือไม่จริงอา้าวถ้าไม่จริงแล้วทาไมเราจะไม่จริงก็ไปอีกคนถ้าจริงก็อนมโมทนาเขา วจานั้นเป็นวาจาหยาบหรือว่าไปเราออ่อนหวานถ้าหยาบเราก็เรื่องอะไรจะหยาบอีกคนหนึ่งปล่อยเขาหยาบผมก็คนเดียวไปเราะอ่ อ, อนหวานกว่าอนโมทานาสาธุของเขาดัง น, นั้นมีประโยชน์หรือมไม่มีประโยชน์ถ้าเขาไม่มีประโยชน์แล้วเราไปไปเอาไม่มีประโยชน์ด้วยทั้งๆที่รู้มันไม่มีประโยชน์ไอเขาบางทีเขาคิดว่ามีประโยชน์นะแต่เราเองเราวิเคราะห์ได้แล้วเลยทําไปมันไม่มีประโยชน์ดังนั้นการโต้อตอบมันก็มีประโยชน์อะไร ในกรณี้ก็มีประโยชน์ก็อนุโมทนาสาธุเขาก็ามีเมตตาจิตพูดก็ขออนุโมทนาเขาแต่เขามีปทุตสจิตพูดเรื่องอะไรที่เราจะร้อนเพิ่มกันอีกคนหนึ่งเขาก็ร้อนอยู่แล้วนี่ก็เป็นอาศัยการแนวคิดนะฮะแนวคิดที่จะฝึกปลือควบคุมใจตัวเองไม่ให้ด่าต่อบปทุตสร้ายตอบโกรธตอบจนถึงเปล่งบาจาที่ถงใช้กับว่า กราคํกาคหยาบนะฮะแต่บาลีท่านไม่รู้จะแปลยังไงนะคือท่า น, านแปลว่าคาลามโมกคือคาหยาบคายอ่ะคหยาบคายต่างๆจนถึงจุดหนึ่งอันี้ก็สาหัสลฮะคือใครทําได้ก็เก่งมากเลยหรือขนาดว่าคนเอาเลื่อยมาเลื่อยเนี่ยยังไม่มีปะทุสจิตแน่นอนว่าคนประเภทนี้มันก็ต้องมีอะไรคือในด้านธรรมะแม้แต่ระดับโลกเราเนี่ยฮะระดับ ระดับเราธรรมดาๆรรเนี่ยก็อาจจะทําได้โดยเฉพาะอย่างเป็นพระอย่างเาางี้ยเกลียวยังยังยังนึกอยู่ที่เขาพูดว่าพระ พ, ระพกปืนเนี่ยมาอย่างนึกว่าจะพกทําอะไรผสมมุติว่าเขายิงเรานะและเรายิงตอบนี่เราปาราชิกนะีพระปาราชิกแต่ขาดแต่ความเป็นพระตรกนรกถ้าถ้าเขายิงเราตายแล้วเขาไม่ยิงเราก็ตายนี่นะก็ตายแต่ ว, วันนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยตายเด็วหน่อยไม่ต้องเป็นโรคมะเร็ ง, งทรมานะ มันก็ดีนะฮะที่จริงคือเรามองอีกทนะีเอามายังนึกไม่ออกเลยว่าจะยิงเขาทาไมเราแล้วพกไปทําอะไ ร, เ, เ, ร, ไะไรเขานั้นยิงเขาสมมุติว่าเขายิงเราเขาก็อาจจะติดคุกอะไรแต่เขาไม่ปาราชิกนะฮะเพราะเขาไม่มีประราชิกแต่เราเนี่ยไปยิงเขาประราชิกด้วยนะประราชิกด้วยแล้วก็ตายด้วยถ้าตายอย่างเดียวไม่ดีกว่าเลยเพราะยังไงมันก็ตายอยู่แล้วนะไม่ ต, ต้องไปโต้ตอบอะไรเขาเพราะนั้นเวลาคนพูดถึงว่าพระพกปืนเอามาเลยไม่ค่อยเชื่อพราะนึกไม่ออกว่าพกไปทําอะไรพกไปแล้วมันจะได้อะไรเพราะสร้างบาปนั้นเอง มีคนจะยิงขึ้นมานะฮะเราก็ดึงปืนมายิงก็เสียก่อนแล้วเสร็จแล้วเราเป็นฆาตากรด้วยเป็นประราชิกด้วยติดคุกด้วยนะขาดจากความเป็นพระได้บาปปรราชิกนะี่มันจะบาปธรรมดาอะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็อยู่ที่ถ้าเราทําใจได้นะอาจจะอาจจะตกใจอาจจะกลัวนะฮะแต่อย่างน้อยอย่างน้อยก็ไม่รู้เออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ถึงกับไปโต้ตอบในลักษณะเดียวกันเถึงเขาตีเรามาเราก็ตีไปนะฮะไอ้ตีมาตีไปยังพอทํานองนะบาปไม่แรง แต่ถ้าเขาฆ่าเรามาเราฆ่าเขาไปเนี่ยมันยิงสวนกันเราบาปมากกว่าแล้วพระนะเฉพาะพระน ะ, พพะนะแต่ถ้าเป็นคราวานั้นยังไงยังไงก็ถึงแม้จะไม่เดินมาถึงจุดนี้ซึ่งเป็นการสอนจุดสูงสุดสแสดงว่าจริงๆนะคนจะต้องตัดปฏิฆะได้ยิงจะฐานจิตจะมั่นคงอย่างนั้นจริงๆคือว่าแม้แต่ความไม่พอใจก็ตัดได้ ในขณะเดียวกันถ้าอาศัยโยนิโสมนสติการคือเป็นพระคิดอย่างที่เอามาว่าเนี่ยก็ไม่รู้จะทําทําไมเหมือนกันว่ายังไงเราก็ตายอยู่วันยังข้ามแหละเพื่อนมาจะยิงให้ก็บุญจะตายจะได้มีคนเยอะที่เพื่อนไม่ได้ยิงให้เราก็ได้รับเกียรติจะไม่ต้องไปถูกสายระโยงระ ย, ยางอยู่ทีนี้พอมาถึงจุดนี้ท่านจะเห็นว่า ก็เน้นไปที่ให้มันสงบใจนะฮะระดับโ ล, โลกๆก็คือสงบใจไม่จิตใจไม่ขุดมัวซาบมองเพราะไนมันก็ตายอย่างดีตายด้วยจิตที่สงบก็เป็นหวังสุกตินั้นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็คือแสดงถึงมาตรฐานทางจิตที่เข้าขั้นเลยมาตรฐานทางจิตที่เข้าขั้นว่าจะไม่โต้อตอบแม้แต่ เ, เมื่อก่อนเราก็พูดด่าเฉยๆนะฮะเพราะมันเป็นลมเป็นแรงมา ต, ตอนนี้เอาเลื่อยมาตัดเลยเอาตอนเลื่อยเลื่อยมาตัด หรือเอาเอาไว้ไอเอาไอเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นมาทําอันตรายเนี่ยก็จะไม่มีประทุสจิตจึงจะชื่อว่าเป็นการทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์มันก็ขึ้นมาถึงจุดนั้นก็ออกจะตายอันดับยากนิดหน่อยนะแต่ยังไงแต่ข้างล่างเนี่ยที่ทรงแสดงมาในตอนต้นโดยเฉพาะการวิเคราะห์ถ้อยคําของคนเราจะหาประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างกับเรื่องอะไรที่จะลดตัวลงไปโ ต, ต้อตอกกับเขานะฮะสำนวนการเมืองนิดหน่อยเอ่อ ในกรณีที่เขาใช้คําไม่ดีในกรณีก็ใช้คําดีเราก็มุทิตาคือเพลิดเพลิน เ, เ, เขาได้เ ร, เราทําใจได้ทั้งสองอย่างคือใจเราจะไม่แปรปลุนไปด้วยอํานาจของสิ่งภายนอกเราทําใจให้เพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ได้นี่ก็เป็นหลักที่ทรงใช้คําว่า ก, กกจูประมาสุรคืออุปมาแม้เขาจะเลื่อยเอาเลื่อยมาตัดตัวเราเองก็ต้องไม่หวั่นไหวนี่บันไดสูงนะฮะบันไดสูงสุด ต, ต้องปีนกันนิดหน่อย